มาตรการหลวงตาโยมโยมตอนนี้โยมก็คิดว่าแบบเนี้ยคือปฏิคิดถึงเรื่องปฏิบัติน้อยไปหรือเปล่าตของโยมจะเวลาเดินเนี่ยมันจะมันจะรู้ตัวตรงพุทโธเนี่ยพุทโธมันจะขึ้นมาเองตอนเดินเนี่ยมันจะรู้พุทโธพุทโธแต่มันก็จะลืมไปแป๊บเดียวแล้วนี่พอพอตอนจะนอนเนี่ยแต่ถ้าหมุนนิ้วนะ่ะพุทโธจะจะได้สตินะี่ยหลวงตา แต่ถ้าจะไปไหนแบบว่าถ้าไม่มีคนรู้จักเลยนั่งรถไปไหนเนี่ยก็จะหมุนนิ้วตลอดแล้วพุทโธมันก็จะแต่ถ้าไม่หมุนแล้วมันก็ไม่ไปเราก็ได้ก็คือประกอบก็เรียกว่าเสริมเข้ามาถ้าไมหมุนนิ้วพทแล้วก็หมุนนิ้วเราเราชอบแบบนี้ใจตั้งจตงอยู่ถ้าพุทโธอย่างเดียวไม่หมุนนิ้วใจก็ไม่อยู่กับหมุนนิ้วก็โดยเรากับพุทโธพุทโธเนี่ยใจตั้อยู่อันนี้คือเสริมเข้ามาคแต่ถ้านั่งนั่งฟองตาามถ้าหมุนนิ้วมันก็จะพุทโธพุทโธตลออออดดเเเเยย่่่าาาางีีี้้้กก็ไพรรระววััันนนนมมมสิ อพุธโถลอยลมอย่างเดียวมันไม่อยู่แต่พุธโธพุธโธด้วยหมุนนิ้วได้วยมันก็เลยเออเลยอยู่อมุนนิ้วด้วยกับพุธโธพุธโถพุธโอย่างเนี้ยอยู่ะแต่ก่อนนอนนี่มันจะเป็นอตนมัติของมันคือหมุนนิ้วแล้วก็พุธโถมันก็หลับไปไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีนี้ตอนตอนเดินเนี่ยก็มันก็เป็นของมันเองอะพอพอเราจะเดินเนี่ยก็จะพุธโถขึ้นมาเองในดวงต า, างบบนต่แแต่อั น, น อย่างอื่นพิจารณากายโยมก็ไม่ไปคิดอันไหนมันก็ไม่ไปเดี๋ยวทีนี้พอมาคิดถึงที่เมื่อคนตายไปเนี่ยพอว่าเออเพราะว่าตายพอจะตายปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปแปะโป้เนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยตรงนี้แล้มันจะเข้าใจโย่แล้วก็คือก็ยอมตายนั่นแหละก็บอกว่าเอาอะไรไปไม่ได้อคิดถึงตรงนี้แล้วก็มันไม่คิดอะไรอ่ แบบว่าไม่อยากได้ไม่อะไรมันก็เหมือนวางนะหลวงตาวางหมดแล้วก็พุทอยู่กับพุทโธนั่นแหละถับถ้าพุทโธได้ใจที่ปล่อยวางหมดก็สามารถบรรลุพระผ ล, ผลนิพพานได้เลยตนนก็แม่จันดีอ่ะแม่จันดีที่เป็นน้องของลุงตามหาบัววันนี้ลงตาก็ส่งไปให้แม่จันดีที่เป็นน้องสาวลุงตามหาบัวเนี่ยเธอก็บอกว่าเนี่ยผังโลกมันเรียนกันมากแล้วยิ่งรู้มากยิ่งมีทิฏฐิมานะมาก แต่เวลาตำนานเนี่ยแต่แม่เจนดีเนี่ยน้องสาวตามมหาบัวเนี่ยถ้าเรียนพุทโธคําเดียวเนี่ยท่านพ้นจากโลกทั้งสามได้เลยบรรลุนิพพานได้เลยเนี่ยถ้าเราขอเป็นมั่นคงอย่างเนี้ยพุทโธได้ความปล่อยวางทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยก็บรรลุนิพพานได้แต่อย่างอื่นมันก็ไม่มีแล้วหลุกตาอย่างเรื่องความสวยความงามเห็นใครใส่เสื้อผ้าเสืสวยมันแล้วก็เป็นเฉยเฉยไปหมดเลย มันมีความรู้สึกว่าเออคนนั้นแต่งสวยคนนี้แต่งสวยแต่พอทํางานหลวงตามันจะมันจะลืมลืมเรื่องพุทโธไปเลยหลวงตามันจะอยู่ว่าจ้องยากจะทําอันนั้นทำทำท ำ, ท ำ, ทำให้มันสําเร็จอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้มันขาดขาดขาดว่าขาดตอนขาดว่าขาดตอนค่ะอันนี้มันมันหลุดไปหลุดไปอยู่กับกิจการงานที่ทําอย่างเดียวค่ะแต่แต่พ อ, พอพอพอนึกได้ถึงคําสอนถ้าเราทําอะไรผิดปกติอย่างถึงคําสอนเราจะบอกอ้าวอันนี้ อาจารย์บอกไว้อันนี้หลวงตาสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้ผิดแล้วผิดแล้วมันก็เป็นแบบนี้แต่นี่ก็ทําง า, ทงานไปด้วยข้างในก็แอบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรเลยปล่อยวางหมดค่ทุกนาคปัจจุบันมันก็สามารถรู้มาผลนิพพานไปได้นะคะคพุโทโธได้ใจปล่อยวางแต่ถ้าเราทําอาจัยอยู่ทำงานอย่างเดียวแล้ว เ, เราเลยไม่รู้เลยว่าใจเรามาันส่งผิดออกนอกฟุ้งซ่านไปในประการใดเรื่องเรื่องอะไรหรือเปล่าใช่ค่ ะ, ะเวลาทํางานก็ รู้อยู่กับการทํางานแต่มันก็น้อยแต่มันก็คอยส่งจิตออกเรื่อยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ส่งจิต<ม>ออกนอกเราก็ไม่รู้เลยเนี่ยเวลาทํางานไปเราก็ส่งจิตออกนอกไปหาคนนั้นคนนี้เลยเราไม่รู้ตัวอะไรเนี้ยเราไม่รู้เลยว่า เ, เดี๋ยวก็ส่งไปแล้วทําไมตะลิววางอยู่นี่ดีใครไปไห น, นทำงานทําทแล้วไม่ไม่เช็ดไม่ไม่สะอาดทําไมเป็นเชี่ยต้มแล้วก็ทำไม ไฟเตาแก๊สไม่ปิดทําไมโอ้ยอย่างนี้บ่นไปงงเงงง ง, ง, ง, งมีแต่สมจิตออกนอกทั้งวันเลยอย่างนี้มันเป็นกิเลสตัณหาอ๋ออย่างนี้เป็นสมจิตออกนอกเหรออาจารเออมสมจิตออกนอก อ, นอันนี้ไม่รู้เท่าทันเลยอ่ะ <c oughs> บ่นแต่คนอื่นเขายันเลยอันนี้บอกว่าไม่ยึดถืออะไรไม่เอาอะไรโอ้ยแต่เอาแต่ตัวเองดีคนอื่นไม่ดีตัวตัวเองไม่ได้หมดเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้กิเลสแต่แต่เรื่องห่วงนี่ก็บมดไปเยอะขอ ง, งตาแบมวะตรงนี้ก็เพิ่มเข้าเรื่องห่วงอะไรต่างหมดไปแล้วกับตรงเนี้ ดูให้ดีมันส่งจิตออกนอกหรือเปล่าอะไรนิดหน่อยก็ตําหนิก็ไม่หมดตําหนิตีเตียนอิฟาวิจารนินทาว่าร้ายไปหมดตําหนิอะไรก็ ต, ตินั่นตีนี้ตีนั่นตีนี่อันนี้มันส่งจิตออกนอกแต่แต่เวลาคุยกับคนคนหมู่มากก็จะได้สติอยู่ดวงตาอพอรู้แล้วจะไม่ไม่คอยตามถ้าเกิดเขาพูดอะไรที่แบบ แบบรุนแรงอะไรนี่เราก็จะไม่คอยตามหลวงตาเออก็อันนี้ก็เพียงแค่ระดับหนึ่งที่เราดีแล้วก็ฝึกมาได้ระดับหนึ่งก็แต่เราก็เพิ่มเข้าไปอีกแต่ที่ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองปัจจุบันเนี่ยจะรู้หลวงตาถ้าเกิดขึ้นอะไรคือมันผิดเป้าหมายเนี่ยเราก็บอกโอ้ไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ผูกไม่คิดไปนานอ่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่เที่ยงแล้วแป๊บเดียวเราก็ลืมหายไปอะไรเงี้ยไม่ผูกใจเจ็บคิดนานอะไรเงี้ยแต่แต่มีเมื่อวานเนี่ยหลวงตา ที่ที่ผู้กับอ้อพูดขึ้นมาเรื่องเรื่องโยกอะโยงก็ว่าเอ้าโยงก็เคยเป็นแต่โยโยไม่เรื่องตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องปฏิบัติทีนี้พอนั่งแล้วมันจะโยกทีนี้ถ้าเราฝืนไม่ให้โยกมันจะออกข้างแบบเนี้ยทีนี้ทีนี้พอฟอพอพอดีสองพู่แล้วมันก็เกิดโยกกลับขึ้นมาอีกทีนี้มันโยกน้อยๆโยงก็ว่าเอ๊ะมันจะดีมันดีเหมือนกันนั่นเนี่ยเพราะว่าโยกแล้วมันไม่ง่วงอะหลุงตา เพราะว่าโยมนั่งไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรชอบอง่วงอมันโยกเย ก, กโยกเย ก, กไปเรื่อยๆมันจะมันจะเคยแล้วมันจะลามขึ้นเรื่อยๆ<ฆ>เราเห็นมาหลายคนแล้วทีร ก, ก, ก, ก, กรๆก็โยกเยกเล็กน้อยพอปล่อยใหโยกเยกไปมาไปเรื่อยๆไม่ไม่บอกไม่ว่าสติมันขาดไปเรื่อยๆเพลยังก็โยกโยกแรงขึ้นเรื่อยๆโยกแรงขึ้นเรื่อยตับไปธรรมาออกเต้นแล้วเต้นกาเลย <c oughs> บางทีออกมาเป็นภาษาพูดเป็นภาษาแขรภาษาอะไรก็ไม่รู้พูดเป็นภาษาแปลกๆมันโรลไปเลยอันเนี้ยคือก็เรียกว่าวิปรัชแต่มันไม่ไมันไม่ไม่เป็นมาหลายปีหรอกตาเออแล้วก็มีสติอยู่ก็ไม่เป็นไรหอรอกดูตัวอยู่ อ, อ<笑><笑>มันมันเวลาเวลาฟังคนอื่นเนี่ยมันก็คิดออกงจ้าว่าจะสงกันบ้านยังไงทีนี้พอคิดไปขึ้นมามันก็ลืมมาหลวงตา ถ้าคิดได้ปุ๊บส่งปั๊บนี่มันก็จะจำได้ค่ะคิดว่าโยมที่ว่าลงเป็นสมองไม่ดีไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวกันเลยก็อ่านใจตัวเองนะลุกษณะปัจจุบันจะลืม่ต้องฝึกไม่ตำหนิไม่ติไม่ติไม่ติเตียนไม่ตำหนิไม่นินทาไม่ว่าร้ายใครอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่ สัตว์แม้แต่สิ่งของแม้แต่ดินฟ้าอากาศเนี่ยอยู่ใกล้ๆลงบุรีตะนังกะโลเนี่ยแค่คิดในใจอ่ะหรือพูดออกมาตำหนิหรือติอะไรนิดเดียวนี่เนี่ยเที่ยวในทีเดียวโดนหลังมือเลยเพี้ยเลยท่านว่าอย่าไปอย่าไปว่าเขาวอย่าไปตําหนิเขาสักวันหนึ่งอาจจะต้องพึ่งเขาก็ได้เนี่ยท่านไม่ให้ตําหนิอะไรเลยดินฟ้าอากาศต้นไม้ สิ่งของคนอะไรแต่ไม่ให้ตําหนิเลยไม่ตห้ตำหนิเขาเลยถ้าตำหนินิดเดียวเนี่ยหลังมือเลยเพี้ยเลยอยู่ใกลโดนหลังมือเลยมันต้องต้องรูง้ทันเร็วๆชอบติเตียนชอบดินตาชอบว่าร้ายกันแล้ที่สุดก็ไปอยู่รลวงกันมากก็ทะเลาะเ บ, บาแวงกันทุกที่ไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเ่ยอแยกไปทุกที่เลยเนี่ยจากไอ้เรื่องเล็กๆเนี่ย แล้วเราก็ไม่รู้ทั น, นเราก็าชอบพูดก็อชอบพูดพวกะเขาก็เก็บกดไว้นานๆพอเขาเก็บกดไว้นานๆพอเขาระเบิดออกมาเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี้ยการจากเรื่องเล็กเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามเลย เ, ลยเนี้ยเพราะอะไรความจริงเนี่ยเขาอดทนไว้เก็บกดไว้เก็บกดไว้พอวันหนึ่งเขาระเบิดออกมาเลยกาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องทะเลาะกันเรื่อยเรามาอยู่รวมๆกันหลายคนมาอยู่รวมกันส่วนใหญ่ก็ไปสุกันทะเลาะกันอันเนะี้ยมันเกิดมาจากการที่เนี่ยชอบ ยไม่รู้ตัวทันความคิดชอบพูดชอบว่าชอบตำหนิชอบ ต, อบติคนอื่นชอบพูดเสียดสีกระแทกแดกดนันพู้ชอบพูดกัดกัดติดติดพูดจิกเอาจิกเอาไอ้นี่ยไม่รู้ตัวพูดกัดพูดจิกจิกเอาจิกเอาจิกเอาแค่จิกเขาจิกเขาเนี่เขาทนได้เขาก็อดทนน่พอทนไม่ได้เขาเระเบิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยโอกาสเป็นปเรื่องใหญ่กันหลายหลายเรื่องแล้วทุกที่เลย เดี๋ยวตะเหลียวบินเดี๋ยวฝ่าม่อบินเดี๋ยวหม่อบินเดี๋ยวน้ำร้อนสาดกันเดี๋ยวอะไรคว้างใส่กันตลอดเลยดังลั่นไมหมดอ่ะอยู่ทุกที่โอ้ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้ต่อทานความคิดไม่รู้ต่าฐานอารมณ์ที่เกิดขึ้นพูดออกไปชอบติชอบติตัวเองดีคนอื่นไม่ดีตัวเองดีทั้งหมดเลยคนอื่นไม่ดีสิอื่นไม่ดีตัวเองดีหมดไอ้เนี้ยร้ายมากเลยออันตรายมากเลยอยู่รวมๆกันอะ่ะ ทุกที่เลยนะไม่จะบอกไม่มีไม่มียกเว้นไม่ไดเลยไปเห็นมาหมดแล้วมีเรื่องกันหมดเลยนี่อันนึงก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เอาตอหรืออยู่นี่ใครเอาไปทําไมนี่ก็ไม่ล้างไม่เก็บไม่กวาดทาไมอย่างนี้ทําไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้เดี๋ยวอดทนไม่ได้จริงๆกัสุิกันทะเลาะกันก็ต้องว่ากันทําร้ายกันพูดวายจึต้องมีดไล่แทงกันไล่ฟันกันทั้งหลายที่ น่ากลัวจริงๆเลยไม่รู้ท่าทันความคิดไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยจนพากันเดือดร้อนไปทั่วหมดเนี่ยเดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาหลายที่แล้วถึงขั้นที่ทะเลาะบว่าแหวงกันเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามเลยความที่เขาเก็บกดไว้เก็บกดไว้อะไรต่างๆเนี่ยกับเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตมาทุกที่แล้วอยู่ด้วยกันนะ่ยต้องระวังความคิดต้องระวังความคิด ถ้าไม่ระวังความคิดเดี๋ยวก็ออกปากพูดตามนิ ส, สัยสดันตัวเองอพูดกัดกัดติดกัดกัดจิกจิกเน้นๆแล้วก็เอาแล้เดี๋ยวก็มีเรื่องอ ก, อกันแล้วว่ากันแล้วทำร้ายกันและอยติการย่าติหนิอยติคนอื่นแก้ไขที่ตัวเราเองเรื่อยไปอย่าติหนิอย่าติอย่างอื่นอยติคนอื่นแก้ไขที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเราเรื่อยไป เพลงโทษคนอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกตัวเราไม่ได้แก้มีแต่เพลงโทษคนอื่นหลวงปู่มันม่นปุริาตาโตท่านว่าโทษเขาความไม่ดีของเขาเนี่ยความชั่วงเขาเนี่ยมีมโทษหนักหนาสาหัสเท่าภูเขาแต่เราเอาเข้ามาตำหนิในใจเราเพียงเท่าขีเล็บเนี่ยทำให้เราตกมาโลกได้ท่านว่ามันควรเลยเนี่ยความชั่วงเขามีอ่ะมหาศาลเท่าภูเขาเนี่ย ไปเอาเข้ามาตําหนิติเตียนนิทนทาว่าลายวิภาคในใจเราเนี่ยเท่าขีเรบแต่ตอนเวลาตกนรกเลยแล้วถาวรสุดไ ป, ไ ป, ไปรับกรรมร่วมกันไปรับกรรมร่วมกับเขาแล้วบออันนี้มันควรลวลวเลยเนี่ยก็ต้องแก้ไขไปไม่มีใครเกิดมาแล้วแหะมันดีทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วทุกคนก็ต้องแก้ไขลู ก, กตกา ก, กันเหมือนกันก็ต้องเพียรแก้ไขตัวเองอะไรปิดอะไรพลาดไปแล้วก็ ก็เพี้ยนแก้แก้แก้ไขมาเรื่อยมันก็ยังไม่เชื่ว่าจะดีหมดร้อยเปรเ็นตก็ต้องเพี้ยนแก้แก้แก้มาเนี่ยโอยจแก้มาจนแบบเนี้ยมต้องแก้มาเรื่อยทุกอย่างเนี่ยถ้าเพี้ยนแก้ไขตัวเองมันก็ดีจนได้เนี่ยถ้าไปคิดจะแก้ไขคนอื่นน่ะไม่ดีเลยมีเรื่องมีลาวุ่นวายติแต่คนอื่นตัวเองดีหมดหรือจะแก้ไขแต่เขาน่ะเราไปแก้ไขตัวเองไม่ดีเลยมันจะมีเรื่องมันจะมีปัญหา มันจะลูกลามใหญ่โตแก้ไขที่ใจเราแก้ไขตัวเราเรื่อยไปแก้ไขฝากแก้ไขวาจาแก้ไขแก้กระทําแก้ไขความคิดแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแก้ไขแต่ตัวเราไปอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นอย่าไปคิดแก้ไขคนอื่น